พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคหาอาตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการเ จ, จนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สาสิบสามกรรมมากรรมวินิจฉัยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของสังฆกรรมน้อยใหญ่ต่อ ต่อไปเรื่องของยติกรรมอั น, นึ่งถึงทราบวินิจฉัยในประเภทแห่งฐานะแห่งยติกรรมดังต่อไปนี้วาจาสำหรับเรียกอุปสัมปทาเปโคะเข้ามาอย่างนี้ว่าสุนาตุตเมพันรรเตสังโฆอิทันนามอิทันนามาสะอายสมัมโตอุปสัมปดาเปโค อนุติตโทสซมยาญาณิสังขสัตตกันลังอิทัณ น, นาโมอะคาเชีาตีอะคาชาหีติวตตโบข้าแต่ท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมพทาเปขขะของท่านผู้มีอายุชื่อนี้ข้าพเจ้าสอนซ้อมเขาแล้วถ้าความตั้งพร้อมของสองถึงที่แล้ว ขอผู้มีชื่อนี้พึงมาเพราะฉะนั้นผู้มีชื่อนี้อันขับเจ้าพึงเรียกว่าเจ้าจงมาดังนี้มีชื่อว่าโอสารนาเป็นการเรียกเข้าหมูวาจารสำรับถอนที่สุผู้ธรรมะกระถึกออกในอุปาหิกะยินิชัยอย่างนี้ว่าสุมันตุเมอยยสมันตายังอิทันนโมภิกข و ธรรมะกัตถิโกอิมัสานวาสุตังอาคาชิติโนสุตวิภังโกโสอัทถังอสันลัคเตตวาบยัญชัตนาชายายาอทถังปฏิบาหเติยาดายสมนตานังปตากัลังอิทัณนามังภิกขุงุทธาเปตวาอวาเสสะิมังอธิกรรมังอุปัสเมยามะ ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าภิกษุผู้มีชื่อนี้รูปนี้เป็นพระธรรมกถึกสูตรของพระธรรมกถึกนี้หามาไม่วิพัง์แห่งสูตรก็หามาไม่เธอไม่พิจารณาอัดคานอัดด้วยเงาแห่งพยัญชนะถ้าความช่างพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วพึงถอนภิกษุชื่อนี้ออกเสียพวกเราที่เหลือพึงระงับอธิกรนี้ดังนี้ชื่อว่านิสารนาก็เป็นการที่ เชิญออกจากหมยัติที่ตั้งด้วยอำนาจอุปสถธกรรมคืออุโบสถอย่างนี้ว่าสุาวนวะตเมผันเตสังโฆ อ, อาชิปสัทโทปนาราโสยดิสังคสสะปตกลัลมังสังโฆอุปสัทถังแกเรยะท่านผู้เจริญขอส่งจงฟังข้าพเจ้าอุโบสถวันนี้ที่สิห้า ถ้าความพร้พรอมของส่งถึงที่แล้วสงพึ่อทำอุโบสถ ด, ดังนี้ชื่อว่าอุโบสถเป็นการทําอุโบสถกรรมเพตั้งยติอย่างนี้ลังเดียวยติที่ตั้งด้วยอํานาจปรวรณากรรมอย่างนี้ว่าสุนโตมเมพันเตสังโฆอาจารปวรณาปนารสียดีสังคัสสะปตะกัลลัง สังโฆปวาริยะท่านพุเจริญของรงจงฟังข้าพเจ้าปวารณาวันนี้ที่สิบห้าถ้าความพร้พรอมของงรงถึงที่แล้วงรงพึงปวารณาดังนี้ชื่อว่าปวารณายะตตที่เหลือเพื่อสมมติตนเองหรือผู้อื่นอย่างนี้ว่าสุนโตเมพันเตสังโฆอิทานาโม อิท่านนามาสะอาเยสมัมโตอุปสัมปดาเปโคลญาดีสังคัสปตะกัลังอหังอิท่านนามังอนุาสาเซยังท่านผู้เจริญขอส่งชมฝั่งข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปชาเปกะ ข, ของท่านผู้มีชื่อนี้ถ้าความร่างพร้อมของส่งถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงสอนซ้อมผู้ที่มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดี ยดีสังคาซปะตะกัลังอิทัณ น, นาโมอิทัณ น, นามังอนุาสาไสยยะถ้าความพร้อมเครื่องของสงถึงที่แล้วผู้มีชื่อนี้พึงสอนซ้อมผู้ที่มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียดีสังคาซาปะตะกัลังอหังอิทัณ น, นามังอันตรายิเกธัมเมปุชเชยังถ้าความเค้ืงพร้อมของสงถึงที่แล้ว ข้าพเจ้าพึงถามอันตรายิกธรรมกะผู้มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียดีสร้างคสซาปตะกันลังอิท่านนามโมอิท่านนามังอันตรายเกธรามเมปุเชียยะถ้ความพรัง่งพร้อมเราส่งถึงที่แล้วผู้มีชื่อนี้พึงถามอันตรายิกธรรมกะผู้มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียดีสร้างคาซาปตะกันลํงอาหังอิท่านนาบาังวินายังปุเชียยัง ว่าถ้าความพร้อมของส่งถึงที่แล้วค้าเจ้า พ, พึงถามวินัยกะผู้มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียดีสร้งางคาซาปะตะกันลังอิงอทัณ น, นามโยิทัณนามวีนัญพุชเชยะถ้าความพร้อมร่างของส่งถึงที่แล้วผู้มีชื่อนี้พึงถามวินัยกะท่านผู้มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียดีสร้างคาซาปตะกันลังอะหังอิทัณนามีนวินัญพุทโววิสัช ย, ยัง ถ้าความพร้พรอมของส่งถึงที่แล้วข้าพเจ้าอันท่านผู้มีชื่อนี้ถามวิ่ใดแล้วพึงตอบดังนี้ก็ดีญาดีสาาร้างขสสะปตักัลลังอิทัณ น, นาโบอิทัณ น, นาเมนาวินัญพุทโววิสัชเชียถ้าความพร้อมทั้งของส่งถึงที่แล้วผู้มีชื่อนี้อันท่านผู้มีชื่อนี้ถามวิ่ใดแล้วพึงตอบดังนี้ชื่อว่าสมบุติก็เป็นการสมบุติ ให้หลายประการหลายหลายอย่างใช้ยติกรรมเหมือกันการคืนบริขารมีจีวรและบาตรที่พิสุอื่นเฉละเป็นต้นอย่างนี้ว่าสุนาตุตเมผันเตสังโฆอิดังจีวรังอิท่านามาสามภิกขุโนนิสักยังสังขส า, านิสัตธังยะดีสังขส า, าะตะกัลลัง สังโฆอิมางจีวรังอิท่านนามาสามภิกขุโนดเดยยาท่านผู้เจริญขอส่งยศฟังข้าพเจ้าชีวร น, นี้ของภิกษุผู้มีชื่อนี้เป็นนิสสัทคีอันเธอสละแล้วแก่สงฆ์ถ้าความเครื่องพร้อมของสองถึงที่แล้วสองพึงเคารพีวร น, นี้แก่ภิกษุมีชื่อนี้ดังนี้ ยะดายะสมันตานังปตากันลังอายสมันต์อีมัจีวรังอิทนามาสาทิคุโนดเดยงว่าถ้าความรพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วท่านทั้งหลายพึ่งคืนจีวร น, นี้แก่ทิสุผู้มีชื่อนี้ดังนี้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้การรับอบัตอย่างนี้คือทิสุผู้ชราดผู้สามารถสึงประกาศว่า สุโมโตเมผันเตสังโฆอยังอิทัณ น, นาโมภิกขะอปติงสัตติวิวรติอุตตามิงกโรติเนเซติญาติสังขาสาัปตะกลัลลังอาหังอิทัณ น, นามาสาัสสะภิกุโนอาปติงปฏิคันให้ยังท่านผู้เจริญขอสมยอมฟังข้าพเจ้า ทิสุผู้มีชื่อนี้รูปนี้ระลึกไ ด, ด้เปิดเผยทําให้ตื่นแสดงอาบัติถ้าความพร้อมพรั่งของสองถึงที่แล้วข้ า, า, าพเจ้าควรรับอาบัติของทิสุผู้มีชื่อนี้ดังนี้ก็ดียะดายะสมันตานางปตากันลังอาหัางอิท่านนามาสาธิกุโนอาปะติงปติกันให้ยังถ้าความพร้อมพรอมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วข้ า, า, าพเจ้าควรรับอาบัติของทิสุผู้มีชื่อนี้ เธออันพิสจุ์ น, นั้นพึงกล่าวว่าปัสสิท่านเห็นหรือเมื่อเธอตอบว่าอามะปัสสามิขอรับคำเจ้าเห็นพึงกล่าวว่าอายติงสังวรยาสิท่านพึงสำรวมต่อไปดันนี้ชื่อว่าการรับการรับนี้ก็เป็นการรับอบับบเป็นการแสดงอบับบเมือพิสูจนมีการต้องอบับแสดงอบับบต่อสองหรือว่าแสดงอบับบตอบคณะมีการ ตั้งยติกรรมเพื่อที่จะรับอาบัติปวารณาที่สง์ทำอย่างนี้คือภิกษุเจ้าถิ่นผู้ชราสามารถพึงประกาศว่าสุนันตตเมอาสมมตาอาวาสิกายดายสมัมมนตานังปตากันดอิดาณีอุปสทถังกะิยามาปะปาติโมขังอุเดศ ย, ยมามะอากเมกาเรปรวารยมามะ ขอท่านทั้งหลายผู้เจ้าขินชมฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วบบบนี้เราทั้งหลายทุ่งธรรมอุโบโสถเพิงสวปดปาฏิโมกข์พึงปวารณาในการละพัดอันจะมาข้างหน้าที่สุทั้งหลายถ้าที่สุดเหล่านั้นเป็นผู้ก่อความบาดหมางกันก่อความทะเลาะกันต่อการวิวาทกันทําความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงวนรวงอยู่ตลอดการระพัดนั้นไซ ที่สุเจ้าถิ่นผู้ชราผู้สามารถเพื่อประกาศให้ทิจุเจ้าถิ่นทั้งหลายทราบว่าสุนนโตเนียสเมตตาอาวาสิกายดายสมตตานังป ต, ตะกัลลังอินานิอุปสัตถังกรเ ย, ยามะปาติโมขังอุเดศัยยามะอาคเมจุนเฮปวาริยามะขอท่านทั้งหลายผู้เจ้าถิ่นจงฟังข้าพเจ้า ถ้าความเร่งพร้อมของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วบัดนี้เราทั้งหลายเพิ่งทำอุโบโสถเพิ่งสวดปาติโมกข์เพิ่งภาวณาในชุนหะปักก็คือข้างขึ้นอันจะมาถึงข้างหน้าดางนี้ชื่อว่าเลื่อนปวาวนาออกไปอันนี้เป็นการเลื่อนเพราะว่าจะมีผู้มาทำความแตกแยกมาทำลายสงฆ์ก็สามารถเลื่อนตัวาาได้ยตติที่ครอบทั่วไป อันเป็นต้นแห่งยติทั้งปวงซึ่งกระทำด้วยติณวัถารกะสมถะอย่างนี้คือพิสุทุกทุกโรคพึงประชุมในที่เดียวกันครั้นประชุมกันแล้วพิสุผู้ชลาผู้สามารถพึงประกาศให้สงราบว่าสุนารโตเมพันเตสังโฆอัมภะกลางพันดนชาตานังการหาชาตานังวิวัดาปานานังวิหารตัง มาฮงอาสามากลงอาชาจินังพาสิตาปริกันตังสเจมยังอิมาหีปฏิหีอัญยะมยังกาเรตามะสียาปิตังอธิกรนังตัขรตายะวรตายะเทายะสังวเตยะยติสังขษปตะกันลังสังโฆอิมังอธิกรนัง ตินาวัาระเกณอวูปาสม ย, ยะทเปตวาทุลละวัชังทเปตวาคิหิปติสั่งยุตังท่านผู้เจริญขอสองฆ์จงฟังข้าพเจ้าเมื่อเราทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเาะกันวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติอาชาจารไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากต่างกล่าวซัดกันถ้าเราทั้งหลายจะปรงปรับกันและกันด้วยอาบัตเหล่านี้ ข้อนั้นจะพึงเป็นอธิกรณ์ก็ได้อธิกรณ์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาศเพื่อความแตกกันถ้าความตร้งความของสองถึงที่แล้วสองควรจะงับอธิกรณ์นี้ด้วยจินนวัฏฐานะเว้นอาบัติมีโทษยากเว้นอาบัตที่เนื่องด้วยพรรหัสเสียดังนี้ชื่อว่ากรรมบรรพสนาอันนี้ก็เป็นกรรมบรรพสนาของยัติกรรมซึ่งเป็นจินนวัฏฐานะ กลบไว้ด้ยากเพราะว่าถ้าเกิดบบกับอบัตกันแล้วก็จะทําให้เกิดเรื่องราวในโตขึ้นให้กลบไปริย้ยากยกเว้นอบัติที่มีโทษยาวแล้วก็อบัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติศาสตรอบัตนอกนั้นก็เป็นอนหลุดหมยติสองนับฝ่ายละหนึ่งยติต่อจากสพะสังคาริกายตินั้นไปก็เหมือนกันยติกามีประเภทตามที่กล่าวแล้วย่อมถึงฐานาเก้าเหล่านี้คือ โอสตัตย์าเป็นการรับข้ามูนิสัตยนาก็ขับจากมูอุโบโสถปรวร น, นาสมมติการให้การรับการเลื่อนต น, านาออกอกไปแล้วก็กรรมลักษณะเป็นที่ก้าด้วยประการชนนี้นี่ก็เป็นเรื่องของยัติกรรมตัวประกาศครั้งเดียวต่อไปก็เป็นยัติทุติยกรรมอันหนึ่งพึงสร้างวิธิใัยในประเภทแห่งฐานะแห่งยัติทุติยกรรมดังต่อไปนี้ พึงทราบนิสารนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในขันธากะว่าด้วยอำ น, นาจความบาปแก่วัฏทะฤชวีและโอจารนาที่ตรัสไว้ในขันธากะด้วยอำ น, นาจลายบาปแก่วัฏทะฤชวีนั่นแลสมจริงดังพระตดำดาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสทั้งหลายที่สุ้พึงความบาปแก่อุบาสกที่ประกอบด้วยองค์แปคือ ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแห่งพิกษุทั้งหลายหนึ่งเพื่อความชิบหายแห่งพิกตุทั้งหลายหนึ่งเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิกตุทั้งหลายหนึ่งย่อมด่าย่อมบริพาสิจตุทั้งหลายหนึ่งย่อมยุยงให้หมู่พิกตุแตกกันหนึ่งย่อมตีเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งย่อมตีเตียนพระธรรมหนึ่งย่อมตีเตียนพระสงฆ์หนึ่งดูก่อนพิจตุทั้งหลายเราอนุญาตให้คว่ำบาศแก่อุบาศกผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แล ทิศทุกขั้งหลายก็แล้วทิศุพึนความบาตรอย่างนี้พ่สุผู้ชราผู้สามารถถึงส่วนประกาศให้สงสารว่าสุนาตุมีพันเตสังโฆวัดโทลิชวีอายสมันตังทับบันมัลลาปุตังอาบุลิกายสิลวิปติยาอนุทังเศรษิญาดีสังขสัปตะกันลังสังโฆวัทัสลิชวิตสะ ปตังนิกุเชยะสัมโพคังสังเคนกระยะเอสาญาติสุนาดโตเนพันเตสังโควัตโทลิชวิอาญาสัมปตังทับบางมลปุตตังอมูริกายาสีลวิปัสออนุทังเซติสังโควัทัสสานิชวิสาปตังนิกุชะติ อสัมโผขังสังเขนกรโรติย s ส่ายสมโตขามัติวทสาลิชวิสาปตสสนิกุจฉนาอสัมโผคังสังเขนกรนันโซตุนส่ายสารนัทมติโซภาสียยาินกุจโตสังเขนวทสาลิชวิสาปโตอสัมโผโคสังเขนขามัติสังขส กัสมตุนีเอวะเมตังทารยามิดูควาพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจนพึงหลายบาทแต่อุบาทกที่ประกอบเป็นองค์แปคือไม่ขนวายเพื่อความเสื่อมลาของพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่งไม่ขนวายเพื่อความชิบหายแห่งพิสุจน์ทั้งหลายหนึ่งไม่ขนวายเพื่ออยู่ไม่ได้แห่งพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่งแล้วก็ย่อมไม่ด่าไม่บริพาทีพิสูจน์ทั้งหลายหนึ่ง ไม่ยุยงให้หมู่พิสุจน์แต่การหนึ่งย่อมไม่ติดเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งย่อมไม่ติดเตียนพระธรรมหนึ่งย่อมไม่ติดเตียนพระสงฆ์หนึ่งดูการพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้หงายบาทแก่อุบาสศพที่ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แหลเมื่อมีการความบาตแล้วเมื่ออุบาสศพเหล่านั้นมาขอโทษมาขอขมาณาโทษแล้วก็ไม่คิดในการกระทําสิ่งที่ไม่ดีแปบดบอย่างเหล่านี้แล้วให้หงายบาทได้ ดูกรที่สุดทั้งหลายก็แลติกตุพึงหลายบาทอย่างนี้ว่าท่านดิชวีนั้นพึงเข้าไปหาสงกระทำผ้าอุตราสงชงหญิงบาไหว้รพระที่สุดทั้งหลายนั่งกระโยงประคองอัญเชลีแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าสังเขนเะมพันเตปโตนิกุชิตโตอสัมโผโค ม, มิสังเขนะโซอังพันเตสัมมาวตามิโลบังปาเตมิ เนทารังวตามิสังขังปัตตุกุชชนังยาจามิพึงขอแม็ครั้งที่สองมึงขอแม็ครั้งที่สามขอขมาลาโทษแก่สงนะขอให้สงช่วยไายบาตตอนนี้จะไปพึ่ชอบกับพึ่งเดืบัตรดีละก็อนช่วยไายบาทให้ด้วยขอสามครั้งพิสูจผู้ชราผู้สามาพึ่งตัวประกาศให้สงทราบว่าสุนตเมผันเตสังโค สังเขนวัตตาลิชวิสาปตูนิกุชิตโตอะสัมโผโขสังเขนสุสมาวตติโลมังปาเทติเมทารังวตติสังขังปัตตุกุชานังยาจติญาดีสังขสัปตะกัลังสังโขวัตตาลิชวิสาปตังอุกุเชยะสัมโผคังสังเขนกริยะเอสานยติ สุนารุเมผั่นเตสังโฆสังเขนวัตสาลีชวิตาปัตโตนิกุจิโตอตสัมโภโคสังเขนโสสมมาวัตติโลมังปาเตตินธารังวัตติสังขังปัตตุกุจฉนังยาจติสังโฆวัตสาลีชวิตาปตังอุกุชฉติสัมโผขังสังเขนกโรติยาซายาสมโตคมติ วัฏซาลิชวินซาปัสซาอุกุชนาสัมโผขังสังเคนากรนาโสตุลหาสายาสานคาปฏิโสภาเสยยอุกุชิตโตสัมเคนาวัฏซาลิชวินซาปโตสัมโผโคสัมเคนาคาปิสัมขาดัสมะตุนีเอวะเมตังทารยาบินี่ก็เป็นการหลายบาท สำหรับการความบาสนี้ที่สุพึงทําคือการความบาสแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แม้อันหนึ่งในบรรดาองค์แปดก็ควรองค์แปดนี้ข้อใดข้อหนึ่งถ้ทําผิดความบาสได้เลยการที่ส่งไปภายในสีมาหรือไปสึ่นอกสีมาในที่ทั้งหลายมีแม่น้ำเป็นต้นความบาสก็ควรแลก็คือในสีมานอกสีมาก็ได้เพราะว่าอันนี้ทำในที่ไม่พร้อมหน้าก็ได้ก็คือทำน้ำหล่ ก็ไเมื่อบาดอันสมความแล้วอย่างนั้นทายาทบางอย่างในเรือนของอุบาศกนั้นอันพิจุตต์ทั้งหลายไม่ถึงรับพึงตรงข่าไปในวัดแม่เหล่าอื่นว่าท่านทั้งหลายอย่ารับพิการในเรือนของอุบาศกดู้นก็ในเวลาหลายบาดต้องให้อุบาศกนั้นขอเพียงครั้งที่สามให้อุบาศกนั้นละหัตตบาดหลายบาดด้วยยติตุทิ ย, ยกรรมอย่างที่ได้แสดงแล้วตรวจไปแล้วต้องให้ อุบาสกนั้นอยู่นอกคาถาความพิสษุ์ด้วยพึงทราบสมมติเนื่องด้วยสมมติเหล่านี้คือสมุติสีมาสมมติแดนไม่อยู่ปราสาทไตรจีวรสมมติสันทัดสมุติพระพุทธเทศคือผู้ที่แจกพัดสมมติทิกสุเสนาชนะคาหาประกัะก็คือคนที่แจกหรือว่าจับเสนาชนะสมมติทิสุผู้รักษาเรือนคลังสมมติทิกสุผู้รับชีวรสมุติทิกสุผู้แจกจีวร สมมุติทิฐิผู้แจกตาขูสมมุติทิฐิผู้แจกของเคี้ยวสมมุติทิฐิผู้แจกผลไม้สมมุติทิฐิผู้แจกของเล็กน้อยสมมุติสิฐผู้รับผ้าสมมุติสุผู้ปัดตะขาหาประกศก็คือผู้รับบาสมมุติทิฐิผู้ใช้คนวัดสมมุติสิฐผู้ใช้สามเณรเรียกว่าเป็นการสมมุติสิทธิ์กวีายาซส่วนการให้ทุงสร้างด้วยอํานาจการให้ชีวรกฐิน การให้จีวรมรดกของพิสุขผู้ที่ตายการถอนก็คือพึงสร้างด้วยอำนาจการรื้อกับหินอันนี้เรียกว่าการถอนการแสดงพึงสร้างด้วยอำนาจแสดงพื้นที่สร้างกุฏิและพื้นที่สร้างวิหารส่วนกรรมลักษณะพึงสร้างด้วยอำนาจยาติทุติยกรรมวาจาที่ท่านกล่าวไว้ในจินวาวัฒนการนั่นเองว่าเป็นยติทุติยกรรมวาจาสองอย่าง ที่กล่าวว่าในติะวัารกัคือเวณยติสามอย่างคือสัพพสังคายายติและยติในฝ่ายหนึ่งฝ่ายละหนึ่งยติและจากกรรมวาจาอีกฝ่ายละห น, นึ่งก็ดนตินะวัารกัตมีทั้งยติกามแล้วก็ทั้งยติทุติยกรรมวาจาด้วยยติทุติยกรรมนั้นย่อมถึงฐานะเจ็ดด้วยประการอย่างนี้ต่อไปก็ยติเจตุติกรรม อันหนึ่งบรรทราบวินิจัยในประเภทแห่งฐานแห่งยติเจตุจัจกรรมดังต่อไปนี้นิสตรณาบึงสราบด้วยอ น, นาจกรรมเจ็ดอย่างมีตัดชนิยกรรมเป็นต้นก็คือขับไล่ออกจากหมู่เนี่ยนะตัดชนิยกรรมทำนิติเตียนิยสกรรมก็ลดยศลดตําแหน่งปรับาชนิยกรรมก็ขับไล่ปฏิสา ร, รนิยกรรมก็เป็นการให้ไปขอโทษกระหัตก็โอเคปณญญกรรมตามย่าง อันนี้เรียกว่านิสารนาครับออกจากหมู่ส่วนโอสารนาพึงทราบด้วยอํานาจการระนับกรรมเหล่านั้นแหลก็เป็นการรับเข้าหมู่เรียกเข้าหมู่สมมุติพึงทราบด้วยอํานาจสมมตุติที่ตุกผู้สอนที่ตุนีการจะสอนที่ตุนีนี้ที่ตุต้องมีคิดปัญหาขึ้นไปแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องสมมุติด้วยยติเจตุจั ก, กรรมด้วยเป็นกรรมที่แข็งแรงการให้พึงทราบด้วยอำนาจการให้เกิดเป็นว่าและการให้มานับ นี้ก็หาพึงทราบด้วยอำนาจมูลายะปฏิกันศารรมก็คือการชักคาถาฉบับเดิมถ้าต้องบัตรสำคัาพิเศษ ร, ระหว่างที่อยู่กรรมจะอยู่ปริว่าหรืออยู่มรดกก็แล้วแต่แล้วก็ต้องระบับรสำคัญพิเศษใหม่ให้ทํามูลายะปฏิกันศานาชักคาถาฉบับเดิมล้มวันที่อยู่ไปแล้วแล้วก็อยู่ใหม่สมัมโนภาณาพึงทราบด้วยอำนาจสามัมโนภาศณาสิบเอ็ดอย่างเหล่านี้คือ อุกิตาดุวติกาสิขาบทก็คือประพฤติตามภิสุผู้ถูกสองยกวัดยาวะตะติยิกาสิขาบทแปเกี่ยวกับเรื่องของพิกสุหรือว่าของพิษุณีก็แล้วแต่ที่ทําลายสงประพฤติตามพิสุผู้ทําลายสงว่ายา่สอนยาแล้วก็ปทุตรายสกุลมีแปดข้อในของพิกษุลีออริษฐาสิขาบทแล้วก็จันทากาลีสิกขาบท นีก็เป็นเรื่องอยาวาัตติยกรยาวัตติยกรรมทาบทเหล่านั้นนี้ก็ต้องสรวจสัุภาสส่วนก ร, รมลักษณะพึงสร้างด้วยอำนาจแห่งอุปสมบทกรรมแล้วก็อภารกรรมเร้วยอำนาจการอุปสมบทกรรัอบอภานอันนี้เป็นกรรมลักษณะยติเจตุกรรมย่อมถึงฐานะเจ็ดเหล่านี้ด้วยประการชนี้พึงทราบกรรมกรรมมวิบัติ การกําหนดการรบสงแห่งกรรมเหล่านั้นและการถึงประเภทแห่งฐานะที่สมควรแห่งกรรมที่เว้นจากวิบัติทั้งหลายเด้วยประการชนิแลอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมสลังก็กรรมของสระวิษุสงฆ์ของพิธีสงฆ์ก็ใช้เรื่องหนึ่งอย่างเรืกรราแั่จะแตกต่างจากกรรมในเรื่องของประสูตรกรรมในเรื่องพระสูตรก็เป็เรื่องเจตนาในการที่จะทําความดีความชั่ว แต่ในเรื่องของธาตุวิจุเรื่องพระวินัยนี้กรรมก็หมายถึงการกระทํากิจที่จะให้หมูสงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแล้วก็กว่าจะต้องสื่อสารเข้าใจอย่างดีการถามวินิจฉัยเรื่องของสังฆกรรมน้อยใหญ่ในบาลีมุตตะวินายะวินิจฉัยสังฆะจบแล้วก็ขอยตั้งเนื้อหาเพื่อที่ศึกษาพระธรรมพระวินัยแล้วก็ทรงจําคําสอนเหล่านี้น้อมไปในการวิจารณ์ะพืชปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จะไม่มีการเดือดร้อนใจจะเป็นแบบใจทำให้มีเกียรติสมรรั บ, บควรกับการอบรธมธรรมถากและก็วิปัสสนาก็ขอยท่า น, นั้งหลายนยีอบรมไตรศิกาเพื่อรู้แจ้งองษษษษษนุยตสัจธรรมได้บรรลุโลกุตรธรรมใดร็ววันนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ